ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งทำที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานก็คือพระอริยสัจสี่ สัจธรรมความจริงสี่ประการที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์คือหนึ่งทุกสองสมุทยัย3นิโรธสมรคเรียกว่าพระอริยสัจ4หรือสัจธรรมสี่ประการทุกสมุทยัยนิโรธมรค ผู้ใดถ้าได้เห็นอริยสัจว์4ได้เห็นสัจธรรมในใจของตนก็จะสามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การที่เราจะเห็นอริยสัจว์4ที่มีอยู่ในใจ ของพวกเราทุกคนได้เราต้องดึงใจเข้าข้างในหันใจเข้าข้างในตอนนี้เราหันใจของเราออกไปข้างนอกใจหันใจของเราไปในทางของรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะเราจึงมองไม่เห็นอริยสัจสี ที่มีอยู่ในใจของพวกเราเพราะพวกเราหันหลังให้กับอริยรสัจสีหันหน้าให้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกั น, ภภนเวลาที่ใจเราทุกข์เราจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็ไม่รู้วิธีว่าจะดับทุกข์นี้ได้อย่างไรเพราะเราไป มองข้างนอกแทนที่เราจะมองข้างในเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ไปโทษว่ารูปเสียงกลิ่นลดผลธระนั้นทำให้เราไม่สบายใจกันทำให้เราทุกข์กันเช่ น, นเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบเห็นรูปที่ทำให้เราเสียใจเราก็ไปโทษรูปว่าทำให้เราเป็นเหตุที่ทำให้เราเสียใจ เราได้ยินเสียงเราก็ไปโทษเสียงว่าทำให้เราทุกข์เช่นเสียงดุดาว่ากล่าวฆาลหานินทาดูถูกดูแคลนพอเราได้ยินเสียงเหล่านี้เราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเรา แต่เราไปคิดว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากการพูดไม่ดีของผู้อื่นพูดตำหนิติเตียนดูถูกดูแคลนกาลหานินทาเป็นเพราะว่าใจของเราไม่ได้หันเข้าข้างในหันออกข้างนอกหันไปทางอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลภะ เราจึงไม่เห็นเหตุของความทุกข์ของเราและเราก็ไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์ของเราได้อย่างไรเราจึงไปดับความทุกข์ในที่ที่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เราไปดับที่รูปเสียงกลิ่นรสเวลาเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนมันได้ยินเสียงที่ไม่ชอบ ก็เปลี่ยนมันได้สัมผัสกับอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจเราก็ไปเปลี่ยนสิ่งนั้นไปบอกให้คนนั้นเขาทาอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้เพื่อที่จะได้ทำให้เราหายจากความไม่สบายใจหายจากความทุกข์ใจ แต่บางเวลาเราไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนเขาได้ไปบอกให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้เวลานั้นเราก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจกันเช่นร่างกายของเราเราก็ไปสั่งไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เวลาเขาแก่ เวลาเขาแก่เราก็ท <award> ุก <f> ข <dragging> ์ใจกันเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ใจกันเวลาเขาจะตายเราก็ทุกข์ใจกันแล้วเราก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็สบายใจขึ้นมาเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องการเปลี่ยนความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไป เราก็หาหมอหายาหาอะไรรักษากันไปถ้าได้ยาได้ยาที่ถูกกับโครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บก็หายไปความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราก็หายไปแต่มันเป็นการหายเพียงชั่วคราวเพราะเดี๋ยวก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใหม่และเราก็จะต้องเจอโครคภัยไข้เจ็บที่ หมอหรื อ, อยาไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็จะต้องอยู่กับโรคภยยัยไข้เจ็บนั้นไปหรือไม่เช่นนั้นก็ถึงกับเสียชีวิตไปตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะเราไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้เพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราเอง อยู่ที่ความอยากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทุกข์ก็คือความแก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากของที่เรารักกา ร, รเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบจึงทําให้เรามีความทุกข์ใจกันแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตัดว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเรานั้น อยู่ที่การเกิดอยู่ที่การแก่อยู่ที่การเจ็บอยู่ที่การตายอยู่ที่การสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือสูญเสียพลาดพลาดจากสิ่งที่เราชอบไปแต่พระองค์ทรงตรัสว่าาต้นเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากเกิดจากความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระ การที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นสดรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ใช่ร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายเพราะร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลภพะได้นั่นเองเราจึงทุกเวลาที่ร่างกายของเราแก่ของเราเจ็บของเราตาย ก็เราไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้แต่ถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่พะเราก็มาหยุดความอยากนี้ถ้าเราหยุดความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดัพะได้เราไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกได้เราไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรได้ เราอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนไม่ต้องพาร่างกายเราไปดืม่มไปรับประทานอะไรไปดูไปฟังอะไรถ้าเราสามารถอยู่เฉยๆได้อยู่โดยไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ได้ความทุกข์ใจของเราจะไม่มีเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกข์กับการ พัดภาคจากของที่เราชอบเราจะไม่ทุกข์กับการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบอเพราะเรารักตัณหาข้อที่สองและข้อที่สามได้ข้อที่หนึ่งก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัฑ์ข้อที่สองก็คือความอยากไม่พัดภาคจากของที่เรารักข้อที่สามความอยากไม่เจอ สิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้คือเราพร้อมที่จะพัดพาคจากทุกสิ่งทุกอย่างเรายินดีที่จะให้สิ่งที่เรารักที่เราชอบพัดพาคจากเราไปเรายินดีที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นคำข้อรหานิธาดูด่าว่ากล่าวหรือรเผชิญกับบุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเรา สุคนที่จะคอยปองร้ายเราคอยทำร้ายเราคอยกั่นแกล้งเราถ้าเราไม่มีความอยากไม่เจอเขาเราจะไม่ทุกเวลาที่เราเจอเขาเราจะรู้สึกเฉยเฉยเขาจะด่าเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเขาจะทุบจะตีเราเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเขาฆ่าเราเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลัวเขาเลย ถ้าเราไม่มีความอยากไม่เจอเขาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่เจอสิ่งที่เราไม่ชอบไม่เจอคนที่เราไม่ชอบคนที่เกลียดเราโกรธเราคนที่กันแกล้งเราคนที่เอาลัดเอาเปียกเราคนที่จะคอยทำร้ายเราเราไม่ชอบแต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้น ถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกแต่มันถึงบางทีมันหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์เราก็ต้องไม่มีความอยากที่จะไม่ประเชิญกับเขาเราต้องหยุดความอยากไม่อยากจะเผชิญกับเขาให้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขา<อ>เช่นเดียวกับการที่เราทุกข์เพราะเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไป เช่นตอนนี้พวกเราสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวไปพวกเราก็มีความทุกข์ใจกันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะการสูญเสียของพระเจ้าอยู่หัวเราทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้ท่านจากเราไปความอยากที่จะให้ท่านอยู่กับเราจึงทําให้เราทุกข์ใจเวลาที่ท่านไม่อยู่กับเราเรียกว่าภาวะตัณหา ความอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่กับเราความอยากไม่ให้เขาพัดพากจากเรามันก็เลยทำให้เราต้องทุกข์ใจกันเศร้าโศกเสียใจกันตอนนี้มีฝนมาเยี่ยมเยียนก็แล้วแต่ญาติโยมถ้าจะคิดว่าเป็นน้ำมนต์ก็นั่งต่อไปเทวดามาประพรมน้ามนต์ให้ถ้า อยากจะขยับหลบน้ำมนก็ขึ้นไปที่ศาลามีศาลาสองศาลาศาลาไม้นี่ก็มีที่ขึ้นมาได้ศาลาที่เป็นสองชั้นก็มีที่ขึ้นไปหลบได้อันนี้ก็เลยขอเวลาพักสักหน่อยให้ญาติโยมได้ขยับขยายย้ายที่กันก่อน ถ้าพวกเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องขยับขยายกันแต่เพราะเราไม่อยากเปียกกันเราก็เลยทุกกันเราเลยต้องขยับขยายกันถ้าเราเห็นอริยสัจสี่เราก็อยู่เฉยๆกันปล่อยมันเปียกไปเราก็ไม่ทุกข์กับความเปียกใช่หไหมนี่หยุดแล้วเทวดามาแสดงธรรมให้เราดูให้เราดูอริยาาสัจสี่กัน แต่เรามองไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่าความทุกข์ของเราอยู่ที่ฝนตกเราก็เลยต้องหนีฝนเพื่อที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับมันแต่ความจริงมันเป็นเพราะเราไม่อยากให้ฝนตกนั่นเองไม่อยากเปียกฝนก็เลยทำให้เราทุกข์ทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำให้เราต้องหนีฝนกันหนียังไงเดี๋ยวก็ต้องเจออยู่ดีเพราะเราอยู่ใต้ฟ้า ใต้ฟ้าจะหนีฝนได้อย่างไรเหมือนกับที่พวกเราพยายามหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายกันเราจะหนีกันได้อย่างไรเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนียังไงก็หนีไม่พ้นหนีความแก่ด้วยการไปเสริมความงามความความาหนุ่มความสาวด้วยสัญญกรรมตกแต่ง มันก็เดี๋ยวเดียวท่านะมันก็ตามมาทันหนีไปได้ปั๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาตามทันหนีความเจ็บไข้ก็รักษากันไปรักษากันมาเดียวมันก็ตามมาใหม่มีโรคภัยไข้เจ็บรักษากันกี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่หมดไปเดียวมันก็เกิดขึ้นใหม่หนีความตายก็หนีไปบางทีก็หนีได้บางทีก็หนีไม่ได้ ในที่สุดก็หนีไม่ได้เหมือนกับฝนนี่เราอยู่ใต้ฟ้านี่มันหนียังไงก็หนีไม่พ้นต้องเจอเข้าสักวันหนึ่งเตลออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้ถือร่มไปไม่มีที่หลบฝนฮะมันก็ต้องเปียกจนได้แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราจะต้องเปียกเราก็ไม่ต้องไปกลัวฝนฮะ เวลาเราอาบน้ําเราเปียกยิ่งกว่าตอนฝนตกทําไมเราไม่กลัวมันอาบได้อย่างสบายออาบได้อย่างเต็มที่เพราะเราตอนนั้นอยากจะเปียกเราก็เลยไม่ทุกข์กับการเปรียกแต่ตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะเปียกนี่เห็นชัดๆแล้วว่าความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่การเปรียกหรือการไม่เปียกเพราะเวลาเปียกก็มีความสุขได้อ มีความทุกข์ได้อยู่ที่ใจของเราตอนนั้นว่าอยากเปียกหรือไม่อยากเปียกถ้าอยากเปียกเวลาเปียกก็สุขถ้าอยากไม่เปียกแล้วเปียกก็ทุกข์เนี่นี่คือพวกเราไม่เห็นความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราเวลาที่เราทุกข์ใจกับเหตุการ์ต่างๆเราก็ไปแก้ที่เหตุการณ์ต่างๆเวลาเรา เสียของที่เราลักไปถ้าเราหาของใหม่มาทดแทนได้เราก็หามาแทนถ้าหาไม่ได้เราก็ร้องห่มร้องไห้ไปจนกว่ามันจะหมดกําลังเมื่อหมดกําลังความทุกข์ใจก็ค่อยๆหายไปเวลาย่อมรักษาแผลใจได้เสมอเพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยและเวลาที่ยังไม่หายก็ยเหมือนกับเป็นค น, คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ใจที่ไม่มีธรรมะมารักษาใจใจที่ไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้มองว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากแล้วไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็ต้องปล่อยให้ความอยากมันหยุดของมันเองคือเมื่อเวลาผ่านไปเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปใบม่ๆเราก็จะเสียใจมากทุกมาก แต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปความเสียใจของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปพอความอยากของเราก็จะเบาลงไปเบาลงไปแล้วในที่สุดความอยากเราก็หายไปความเสียใจที่เราสูญเสียสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นไปก็หายไปแต่คราวหน้าถ้าเราเสียอะไรอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้อีก ถ้าเราไม่อยากจะต้องมาเสีย อ, อกเสียใจมาทุกข์ใจเราต้องมาแก้ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากทั้งสามประการนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบอยู่กับเราไปตลอดและความอยากที่ไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็น คือความอยากที่ไม่ให้เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่เจอกับคนที่เราไม่ชอบไม่เจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบที่จะเจอกันแต่ถ้าเรามาเกิดแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะสิ่งที่จะตามมาจากการเกิดก็คือการแก่การเจ็บการตายนี่เอง มีทางเดียวท่านนั้นถ้าไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายก็คือการไม่กลับมาเกิดท่านนั้นเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาแล้วก็การที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้เองหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดในความอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเรา เป็นของเราไปเรื่อยๆหยุดความอยากที่ไม่อยากจะเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบบุคคลที่เราไม่ชอบเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบถ้าเราหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรามองไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเพราะมันอยู่ข้างในใจเราหันหน้าไปข้างนอกเราไม่ได้หันหน้าเข้ามาหาใจเราหันหลังให้ใจเราจึงมองไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจของพวกเราเพราะเราหันไปมองที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัพอะ เราหันไปมองที่ร่างกายของเรามองเวลาที่ร่างกายแก่เราไม่เราทุกเราก็ไปโทษความแก่ว่าทําให้เราทุกข์เราจึงไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเราก็จะไปแก้ที่ร่างกายร่างกายแก่ทําให้เราทุกข์เราก็ไปทําให้มันไม่แก่ไปเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆก็ทําให้รู้สึกหนุ่มขึ้นสาวขึ้น แก่น้อยลงไปก็ทําให้ความทุกข์กับความแก่นั้นน้อยลงไปแต่เดี๋ยวไม่กี่ปีไม่กี่เดือนมันก็กลับมาใหม่ความแก่มันก็ตามมาใหม่ถ้าวิธีที่ถูกต้องเราต้องมาแก้ที่ความอยากแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเราจึงต้องหันใจเรากลับมาข้างในตอนนี้เราหันใจของเราออกไปทาง รูปเสียงกลิ่นรสไปทางร่างกายายทางตาหูจมูกนิ้นกายเราจึงไม่มีวันที่จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและเราก็จะไม่เห็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจแก้ความทุกข์ใจได้จนกว่าเราจะดึงใจกลับเข้าข้างในการดึงใจก็คือการนั่งสมาธินี่เอง การนั่งสมาธินี้เราดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสออกจากร่างกายให้กลับเข้าไปสู่ภายในใจเราต้องมีสิ่งที่จะดึงใจให้เข้าไปเพราะตามปกติใจจะไม่เข้าไปเองเพราะใจจะถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาคอยผลักให้ออกไปข้างนอกนั่นเองอวิชชาปัจจยาสังขารานี ในปฏิจจส ม, มุปบาทอาวิชามโมหะความหลงนี้จะผลักให้ใจปรุงแต่งไปหาลูกเสียงกลิ่นรสไปหาตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเวลาเสบได้สัมผัสก็จะเกิดเวทนาสุขทุกเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าจะสุขเวทนาก็อยากให้อยู่ไปนา น, าน ถ้าจะทุกขเวทนาก็อยากจะให้หายไปเร็วๆก็เลยทำให้เกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดเกิดภาวะเกิดพบเกิดชาติตามมาต่อไปเราจึงต้องมาดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อจะได้หยุดความคิดปรุงแต่งคือสังขารที่จะคอยปรุงไปหา รูปเสียงกลิ่นรสเราจึงต้องมีสิ่งที่จะดึงใจเข้ามาสิ่งที่จะดึงใจเข้าข้างในได้นี้เรียกว่าสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไม่มีธรรมอันไดที่จะสำคัญเท่ากับสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถดึงใจให้เข้ามาข้างในได้ เมื่อใจไม่เข้าข้างในใจก็จะไม่เห็นอริยสัจ ส, สีจะไม่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าใจกลับเข้ามาข้างในได้เวลาเกิดความทุกข์ใจนี้ใจจะเห็นชัดเลยว่าเกิดจากความอยากของใจไม่ว่าจะเป็นการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะหรืออยากใน ในภาวะต่างๆอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นสติธรรมจึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าสติธรรมนี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ปัญญาจะไม่สามารถเห็นว่า ต้นเหตุของความทุกข์ใจนั้นอยู่ที่ความอยากและปัญญานี้จะไม่สามารถเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องพัดพากจากเราไปต้องให้ใจสงบใจเข้าไปข้างในแล้วใจก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นว่า ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจและสิ่งที่ใจอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ไปหาสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ไม่ไปหาร่างกายไม่ไปมีร่างกายเพราะถ้ามีร่างกายแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอันนี้เกิดจากการที่เรามีสติดึงใจเข้าข้างในก่อนถ้าเราไม่มีสติอวิชามหะกิเลสตัณหาก็จะคอยดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลึะให้ไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้ ให้ไปหาเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แล้วก็จะยึดจะติดกับบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วพอถึงเวลาพัดพากจากสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกก็จะกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ แต่ถ้าเราดึงใจให้เข้าข้างในได้ด้วยสติเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปนี่เรียกว่าเป็นการสร้างสติเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเราพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถคิดไปหารูปเสียงกิจลดโภทภะคิดไปหาเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเช่นลาบยศสำลัเสริญได้ใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบาย ถ้านั่งเฉยๆใจก็จะดิ่งเข้าสู่ข้างในเต็มที่เข้าไปสู่ตัวรู้ผู้รู้แล้วจะได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นมีอะไรบ้างเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็จะเห็นเลยว่าเกิดจากความอยากในอย่างใดอย่างหนึ่งในสามความอยากนี้ไม่ว่าจะเป็นการมัต์ัณหาหรือภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหา เราพอรู้แล้วว่าภาวกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าจะอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือมาดับเครื่องม้เครื่องมือที่จะดับได้ก็คือปัญญานี่ปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์เพราะ สิ่งที่ได้มานั้นจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดมีวันจบเช่นร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วเวลาตายก็ต้องทุกข์กันเวลาแก่ก็ต้องทุกข์กันเวลาเจ็บก็ต้องทุกข์กันหรือข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆเดี๋ยวเวลาได้มาก็ดีใจพอเดี๋ยวเขาจากไปก็ทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจกัน ถ้าเห็นว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ใจเราก็ไม่ทำหยุดทำพอหยุดความอยากความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะสงบนิ่งเยน็นสบายมีความสุขนี่คือวิธีการทำให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงต้องดับด้วยการภาวนา คือการเจริญสติดึงใจให้เข้าสู่ข้างในเพื่อให้ใจสงบนิ่งเย็นสบายเป็นอุเบกขาเป็นกลางสักแต่ว่ารู้ซึ่งเป็นสภาพของจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเมื่อได้พบกับความสุขที่แท้ จ, จริงแล้วก็จะทำให้เลิกหาความสุขปลอมได้เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ได้เลิกหาความสุขจากการรักษาสิ่งที่เรารักษากันไม่ได้รักษาราบยศสรรเสริญ ส, สุขกันไม่ได้รักษาร่างกายกันไม่ได้ของพวกนี้ต้องมีวันที่จะต้องมีการพัดภาคจากกันคือเวลาที่เราตายนี้เอง หรือก่อนหนะ้านั้นก็อาจจะจากเราไปก็ได้ก้ขาของเงินทองก็อาจจะหายไปหมดก็ได้หมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้เราจะไม่ทุกกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปเลยเพราะเราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขจากการดึงใจเข้าข้างใน ดึงใจให้สงบดึงใจให้เย็นให้สบายให้เป็นกลางด้วยกำลังของสติสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถไม่มีสติเราจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าข้างในได้เราก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอเราก็เลยต้องไปหาความสุขปลอมกันไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นแล้วพอเราต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะทุกข์ใจกันดังนั้นถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นเราต้องปฏิบัติสติกันเราต้องเจริญสติกันต้องสร้างสติกันต้องนั่งสมาธิกันเพื่อทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิสัจจะว่ารู้ แล้วก็จะทำให้เราเห็นพระอริยสัจสี่ที่แสดงอยู่ในใจเราตลอดเวลาส่วนใหญ่พระอริยสัจสี่ของสัตว์โลกของผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นนี้จะแสดงเพียงแต่อริยสัจสองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทยัยเพราะในใจของผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีนิโรธกับไม่มีมรรคนั่นเองจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติเมื่อได ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จะต้องมาซาเจริญมัคมัค ก, ก็คือสติสมาธิปัญญานี้เองการจเจริญสตินี้เป็นการสร้างมัคและเป็นการดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อที่จะได้เห็นว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดจากตัณหาความอยากของใจเองไม่ได้เกิดจากการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือไม่ได้เกิดจากการที่ไปสัมปัสกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาการ แต่เกิดจากความอยากที่ไม่อยากจะเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรือความอยากที่จะให้สิ่งที่รักที่ชอบไม่พัดภาคจากเราไปเราจะได้มาแก้ปัญหาได้ที่ถูกจุดก็คือมาหยุดความอยากถ้าเราจิตสงบแล้วเวลาเกิดความอยากเราจะรู้ทันทีเพราะเวลาที่ไม่อยากนี่มันจะเป็นอย่างหนึ่งพอเวลามันอยากมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง เหมือนน้ำที่นิ่งกับน้ำที่ไม่นิ่งนะเวลาน้ำนิ่งนี่เราจะรู้ว่ามันนิ่งแต่พอน้ำกระเพื่อมเราก็จะรู้ทันทีแต่ตอนนี้ใจของเราไม่เคยนิ่งเลยใจของเรามีแต่กระเพื่อมตลอดเวลากระเพื่อมไปตามความอยากต่างๆจนเราไม่รู้ว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราเราก็เลยไม่ไปโทษความกระเพื่อมความไม่สบายใจของเรา ไปที่ความอยากเราไปโทษสิ่งต่างๆว่ามันเปลี่ยนไปคนที่ดีกับเราแล้วเขาเปลี่ยนมาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจกับเขาเราไม่ไปโทษใจของเราที่ไปอยากให้เขาดีไปตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะดีไปตลอดนอกจากผู้ที่สิ้นเกเรด น, น, นั้นเท่านั้นแหละถึงจะดีได้ตลอดแต่ผู้ที่ยังมีเกเรยอยู่นี้เขาจะไม่สามารถดีไปได้ตลอด เขาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ดีเขาก็ดีอารมณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ดีไม่ใช่แต่เขาเราก็เหมือนกันเราเองก็ไม่ได้ดีได้ตลอดเวลาเราอารมณ์ดีเราก็ดีทำดีคิดดีพูดดีได้แต่เวลาที่เราอารมณ์เราไม่ดีเราแคคิดดีพูดดีทำไม่ดีไม่ได้เราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดี เราต้องมองความจริงด้วยปัญญาว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะต้องทุกเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่เขาไม่ดีจะเปลี่ยนจากเวลาที่เขาดีก็จะทําให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของคนที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราอยากไปอยากให้เขาดีตลอดเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาไม่ดีเนี่ยเราจะแก้มาแก้ปัญหาที่ความอยากของเราถ้าเราเข้าข้างในแล้วทุกครั้งที่ใจเราก็บเพื่อมใจเราไม่สบายนี้เราจะเห็นทันทีว่าเกิดจากความอยากแล้วถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ พอเรารับความจริงไม่ยอมไม่ฝืนความจริงไม่อยากให้เป็นไปเป็นอย่างอื่นะเราก็จะใจก็จะสงบใจก็จะกลับมานิ่งสงบความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือการทำงานของพระอริยสัจสี่ภายในใจของพวกเราทุกคนตอนนี้พระอริยสัจสี่ของพวกเรามีแค่สองคือมตแต่ทุกข์กับสมุ ท, ทยัยเป็นส่วนใหญ่ นานๆจะมีมรักสักครั้งหนึ่งนานๆเราจะทำบุญกันสักครั้งรักษาศีลกันสักครั้งฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งเวลาฟังธรรมเราได้ปัญญาความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นก็อาจจะดับหายไปถ้าเราฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วเราสามารถปล่อยวางความอยากของเราได้ความทุกข์ใจของเราก็จะหายไปได้แต่มันจะเป็นการหายเพียงชั่วคราวเพราะเรายังไม่ได้ประหยัด ป ฏ, ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจาหายอย่างตลอดเวลาเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาเราต้องมีสติปัญญาคอยแก้ความอยากตลอดเวลาพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้สติปัญญาเข้าไปเคลียร์ว่าเราทุกข์เพราะเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้แล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไป ตอนนี้สิ่งที่เราขาดก็คือสติและปัญญากันจึงทำให้เราไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากทั้งสามและไม่เห็นทมเห็นมรรคที่จะนาเอามาใช้หยุดความอยากไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงต้องมาสร้างทำสองอนนี้คือสร้างสติเพื่อทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบเมื่อเรามีความสงบแล้วเราก็จะสามารถสร้างปัญญา สอนใจให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ไม่มีความอยากจะได้อะไรมาเป็นของเราเพราะมันไม่สามารถเป็นของเราได้ตลอดทักวันหนึ่งเขาก็จะต้องไปจากเราพอเวลาเขาไปเขาก็จะเราก็จะทุกข์กับเขา นี่คือเรื่องของการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริเห็นอริยสัจ ส, สีถ้าเราเห็นอริยสัจ ส, สีได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันทีว่าเกิดจากกามตันหาภาวะตัหาหรือวิภาวะตันหาแล้วเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอของที่เราอยากได้นั้นมัน เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเช่นเมื่อกี้ฝนตกฝนตกนี้เราก็ห้ามฝนตกไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับฝนได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะนั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมต่อไปได้เพราะเราจะปล่อยให้ร่างกายเปียกไปมันจะเปียกก็เปียกไปเราไม่ได้มีความอยากไม่ให้มันไม่เปียกมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจ เราก็จะนั่งอยู่เฉยๆนั่งอย่างสบายไม่ทุกข์กับฝนตกได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาพอฝนตกปั๊บความอยากไม่เปียกมันก็เลยทำให้เราต้องอขยับขยายกันเปลี่ยนที่กันไปไปหาที่หลบแดดหลบฝนกันเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ดูใจของเราเราไปดูที่ร่างกายพอร่างกายเปียกใจของเราก็อยากไม่ให้มันเปียก เราก็เลยต้องขยับที่หาที่ที่จะทำให้ร่างกายมันไม่เปียกนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราดูที่ใจว่าตอนนี้ใจเราเกิดความไม่สบายเพราะอยากไม่เปียกถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายก็ปล่อยมันเปียกไปเปียกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปียกแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งได้เราเวลาอาบน้าอาบท่าเราเปียกมากกว่าตอนที่ฝนตกซะอีกทาไมเราเปียกได้ ขณะที่เราใสมีเสื้อผ้าใส่แล้วฝนตกนิดๆหน่อยๆมันเปียกเราทำไมจะต้องไปทุกข์กับมันทําไมเราก็นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปได้อย่างสบายนี่คือเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเวลาที่เรามี เ, าเราเห็นอริยาสัจสี่กับไม่เห็นเป็นอย่างไรถ้าเห็นอริยาสาัจสีเราไม่จะเราไม่มาแก้ที่ร่างกายเราไม่มาแก้ที่คนนั้นคนนี้เรามาแก้ที่ใจของเรา เวลาถูกใครก็ดา่าเราไม่ไปหยุดเขาไม่ไปด่าตอบเราจะเฉยๆปล่อยเขาด่าไปเรามาหยุดความอยากของเราห ย, ยุดความอยากที่ไม่ให้ไม่อยากให้เขาด่าเราอยากให้เขาหยุดด่าเราเราอยากไปอยากอยากแล้วมันจะทรมานใจเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาหยุดได้ยิ่งไปด่าเขาเดี๋ยวเขายิ่งกลับมาด่าเราเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆฟังไปเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไป เราทำใจให้เฉยๆไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่ารับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับเขาไม่ทุกข์กับความด่าของเขาแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใจเราไม่ได้หันเข้าข้างไหนไม่ได้หันมาดูที่ความอยากของเรากลับไปหันดูที่คนที่มาด่าเราเราเลยไปแก้ที่เขาแต่การที่การจะไปแก้ที่เขาแทนที่จะแก้กลับไปทำกลับไปสร้างเรื่องดาวให้มันใหญ่โตขึ้นมา อย่างที่เขาเรียกว่าน้าพึ่งหยดเดียวเขาดา่าเราเราก็ด่ากลับพอด่ากลับเขาเขาก็ด่าแรงกว่าเก่าเราเขาด่าแรงกว่าเก่าแล้วก็ด่ากลับไปแรงกว่าเก่าอีกเดี๋ยวก็ลงไม้ลงมือกันตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวก็ใช้มีดใช้ปืนทิ่มแทงกันฆ่าฟันกันตายกันไปคนละค่ะตายคนหนึ่งตายไปอีกคนก็ต้องไปติดคุกติดตาราง แล้วพอพบหน้าชาติหน้าท่ากลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ก็มาด่ากันใหม่มาตีกันใหม่เ yeah. พราะเราไ ม, ไม่ได้มาแกา้ปัญหาที่ความอยากของเราความอยากที่ไม่ให้เขาด่าเราความอยากที่ไม่ไม่ให้เขาร้ายกับเราไม่ดีกับเราเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนต่างๆนี้มีทั้งคนที่ชอบเราและคนที่ไม่ชอบเรา เพราะอาดีตเราอาจจะมีอะไรกันมาก็ได้คนที่ชอบเราอาดีตเราอาจจะเคยร่วมทาความดีเคยช่วยเหลือกันมาก็ได้ส่วนคนที่ไม่ชอบเราก็อดีตก็อาจจะเป็นเพราะเราเคยมีเรื่องมีร า, กากวกันมาโกรธเกลียดกันมาก่อนเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเราได้เพราะตอนนี้เรามีทมเรามีสติ มีปัญญาธรรมถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่ไปแก้ข้างนอกเพราะเรารู้ว่าแก้ไม่ได้สิ่งแล้วก็แก้แก้ไม่ไม่ได้ไม่ถูกจุดเพราะคนที่เขาด่าเรานี้ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากไม่ให้เขาด่าเราต่างหากเราก็มาหยุดความอยากนี้เปลี่ยนใจ ตอนไม่อยากให้เขาด่าก okay, so, yeah, like like ็เปลี่ยนไปอยากให้เ้าด่าเสียมันก็หมดเรื่องพออยากให้เขาด่าแล้วเวลาเขาด่าเราก็สมใจอยากเราก็สุขใจเออยากได้อะไรพอได้ตาดังใจอยากก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่งนั้นหัดอยากในสิ่งที่เราได้รับอยากไปอยากในสิ่งที่เราไม่ได้รับหรืออยากไปอยากไม่อยากได้ในสิ่งที่เรารับเรารับอะไรหัดหัดยินดีกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจ ถ้าเราไม่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราเปลี่ยนใจของเราได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะมีกำลังพลิกใจของเราได้จากไม่อยากให้ให้มันเฉยๆได้จากอยากให้มันเฉยๆได้นี่คือวิธีการที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกชั้นใช้วิธีนี้ทั้งนั้น ท่านใช้วิธีดึงใจเข้าข้างในด้วยการจเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วก็นั่งสมาธิไปจนจิตสงบพอจิตสงบก็แสดงว่าจิตได้เข้าข้างในแล้วได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพะแล้วพอจิตเข้าข้างในแล้วพอจิตเริ่มกับเพื่อมพอออกจากความสงบพอเกิดความอยากปับมันจะเห็นทันทีว่าตอนนี้ความอยากเริ่มทำงานแล้ว อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเพราะเกิดความอยากปับเราก็หยุดความอยากสิทำใจให้เฉยเฉยเขาจะทำไงก็ปล่อยเขาทำไปเขาจะไม่ทำอะไรก็ปล่อยเขาไม่ทาไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ปล่อยเขาเฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับเขาเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันสู้ความสงบสู้ความอยู่เฉยเฉยไม่ได้ ปัญญาก็จะสอนใจใจก็จะหยุดอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะหยุดอยากกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> เมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปแ <Yeah. S 1> ม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเอง มันก็จะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเลยใจก็จะนิ่งเฉยเฉยเพราะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งหมดไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีความอยากจะมีร่างกายอันใหม่ต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบไม่มีวันที่จะกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายอันใหม่ก็ไม่มีการแก่เจ็บตายตามมา ไม่มีความทุกข์ตามมาท่านจึงทรงตัดแสดงไว้ว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายทุกจากการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราชอบทุกที่เกิดจากการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบ แต่ถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ตามมาการที่จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ตามมาได้ก็ต้องมอีต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธินี่เองเราจึงต้องมาฝึกสติกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญปัญญากันมาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่น่ารักไม่น่าใครเพราะร่างกายของทุกคนนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันมีอวัยวะสามสิบสองอาการสาสิบสองอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมปกปิดด้วยปกปิดหุ้มห่อด้วยผิวและเนื้อนี้เท่านั้นเองถ้าเราแกะมันออกมาดูข้างในเราก็จะไม่มีความรักใครในร่างกายของใครเลยแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นกัน เรียกว่าเราไม่มีมรรคกันเราจึงต้องมาสร้างมรรคกันมาสอนใจให้เห็นอสุภะกันสอนใจให้เห็นอนิจจังกันสอนใจให้เห็นอนัตตากันสอนใจให้เห็นทุกข์กันถ้าสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่บ่อยๆต่อไปใจก็จะเห็นตลอดเวลาใจก็จะมีมรรคตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะหยุดความอยากได้ทันที หยุดด้วยอนิจจังบ้างหยุดด้วยหยุดด้วยอนัตตาบ้างหยุดด้วยอสุภะบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ว่าจําเป็นจะต้องใช้อนาจหยุดเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปเราก็หยุดด้วยอนิจจาว่าเป็นธรรมดามีเกิดมีมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเอเวลาไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบแต่กําจัดเขาไม่ได้เราก็ใช้อนัตต า, าเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้เช่นฝนตกเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็ปล่อมันตกไปถ้าใจเรายอมรับเปียกยอมเปียกแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรายอมให้เขาด่าเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรายอมให้เขาทุบตีเรายอมให้เขาฆ่าเราเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือการสร้างมรรคที่เรายังไม่มีกันเราต้องสร้างสติดึงใจเข้าข้า ง, างใน แล้วก็สร้างปัญญาให้ใจเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่อยากด้วยด้วยการไม่มีความอยากเพอเชิญด้วยอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เฉยๆถ้าเพราะว่าถ้ามีความอยากขึ้นมาปุ๊บใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วความทุกข์ของใจนี่ร้ายแรงกว่าการสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปเราก็จะไม่เราก็จะ ไม่เราก็จะตัดความอยากเพราะเราจะไม่ยินไม่เสียได้กับสิ่งที่เราต้องเสียไปแล้วสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้ไปเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ได้มาแล้วทําให้เราทุกข์ได้มาทําไมเสียไปแล้วทําให้เราทุกข์เสียดึงไว้ทําไมเอปล่อยมันเสียไปออย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากเสียอะไรให้มันไป ถ, Roberts ถ้ามันอยากจะเสียก็ hahaha. ให้มันเสียไปอถ้ามันจะมาก็ปล่อยมันมาไป ใจเราสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลันตัสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันท่านหลุดพ้นด้วยการดึงใจเข้าข้างในเพื่อให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนักแล้วก็ให้ทํา หน้าที่ในพระอริยาาสัจสีก็คือให้ละสมุทยัยให้เจริญมรรคให้มา ก, มากเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปก็มีเท่านี้เรื่องของการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็คือเรื่องดึงใจเข้าข้างในนี้เองตอนนี้ใจเราชอบออกไปเพ่นพ่านข้างนอก เหมือนหมาที่เราเลี้ยงอยู่ชอบนี้ออกไปนอกบ้านไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็ไปกัดกับตัวนั้นตัวนี้กลับมาก็ร้องห่มร้องไห้พ <c oughs> วกเราก็เหมือนกันชอบออกไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกดลิ่นรสกันแล้วเดี๋ยวพอสูญเสียลาบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกดลิ่นรสกันไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเราต้องดึงใจของเราอย่าให้ออกไปเที่ยวนอกบ้านนอกใจดึงใจไว้ข้างใน อยู่ในใจนี้เป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านสอนใจที่เป็นเหมือนสุนัขที่ยังโง่อยู่ชอบหนีออกไปเที่ยวเลยดึงมันกลับเข้ามาดึงด้วยสติดึงด้วยศีลดึงด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอเราสามารถดึงใจให้อยู่ข้างในจนมันไม่มีความอยากจะออกข้างนอกแล้วใจก็จะเย็นสบายไปตลอดไม่มีความทุกข์ ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเข้ามาลบกวนใจอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวนใจก็จะถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราเห็นอริยสัจสี่กันเห็นด้วยการเจริญสติเห็นด้วยการนั่งสมาธิเห็นด้วยการเจริญปัญญานี่คือทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางองื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นทางที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากพระพุทธเจ้าเองและพระอรหันตสาวกเองเราจึงไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาทางใหม่กันให้เสียเวลาเปล่าๆห า, ากันเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรส เพอจะมาดับความทุกข์ใจของเหานั้นจะไม่มีวันดับได้เราต้องหาสติหาสมาธิหาปัญญาเท่านั้นก็เราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุก์สบุตรไทยเห็นนิโรธเห็นมรรคเมื่อเราเห็นว่าเรายังไม่มีมรรคเราก็สร้างมรรคขึ้นมาให้ให้เต็มที่พอเรามีมรรคเต็มที่แล้วมรรคก็จะละต้าหาความอยากต่างๆได้ เมื่อละตัณหาได้นิโรธคือการดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติสติสมาธิปัญญากันเพื่อที่เราจะได้เห็นอริยสัจ ส, สี่กันเพื่อที่เราจะได้ละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดกันเพื่อที่เราจะได้ดุดพ้นจากความทุกข์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 ขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะจะไม่ตอบถ้อาอยากจะถามอะไรตอนนี้เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะสมจะส่งไมโครโฟนไปให้ขอให้ยกมือขึ้นม า, าพูดใกล้ๆหน่อยครับขอความกรุณาครับหลวงพ่อคือผมปฏิบัติมาได้ประมาณทักสามสี่ปีแล้วครับก็ภาวนา ในตัวเองแล้วก็ท่องชดโทมาตลอดนะครับแล้วก็เห็นธรรมะลยตัวเองเห็นใจในตัวเองมองดูเวทนาอยู่แล้วก็จิตก็กรวมเข้าไปนะครับแล้วก็สว่างจ้าหลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็มันก็หายไปเลยครับ อ, อพอไมายสักพักหนึ่งผมก็ทำใหม่มปฏิบัติธรมมาใหม่ ท, ทีทีนี้ดูเวทนาอย่างเดียวข้างในก็จะเห็นเวทนาความปวดเมืเ่อย ในกายทั้งหมดเลยครับเห็นเป็นยังไงก็ดูไปเรื่อยๆจนเห็นข้างในว่ามันไม่เที่ยงนะครับแล้วก็เห็นว่าจนนั่งประมาณสามสี่ชั่วโมงมันก็เห็นเวทนาเนี่ยหายวูบไปีดับไปีอครับแล้วก็สว่างมาอีกครั้งหนึ่งคือทนจดจ น, น, นสู้กับมันจนจะตายครับก็ผ่านมาได้หลังจากนั้นก็ เข้าไม่ได้อีกเลยครับทีนี้ก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆก็ยังนั่งอยู่ทุกวันอยู่แต่ตอนนี้ก็มาเจอติดอีกมันเจอปัญหาว่าพอดูเวทนาเสร็จปุ๊บจิตเข้าไปดูที่หลนที่หน้าผาแล้วก็เห็นทุกอยู่นั้นเห็นอุปทานมันเข้าไปเห็นอยู่นะครับทีนี้อุปทานตัวนั้นมันก็ไม่ยอมปล่อยออกไปสักทีหนึง่งแต่ดูเวทนาตัวอื่นดูได้หมดเห็นมันดับไปหมด มันหายเมื่อไอตัวแต่ว่าไอตัวนี้มันก็ยังติดอยู่ครับไม่ทราบว่าขอความกรุณาในทางแก้ให้ผมนิดหนึ่งนะครับคือเราเห็นเพื่อนลเพื่อนละละความอยากนะคือเราไม่ควรจะมีความอยากในเวทนาคือความอยากให้เขาหายไปหรือความอยากให้เขาอยู่เราต้องดูเฉยๆรู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไป อย่าไปอยากให้เขาโผล่ขึ้นมาหรืออยากให้เขาดับไ ป, เ, ปเรานั่งภาวนาเพื่อให้ใจเราอยู่กับอุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอะไรทั้งนั้นอะไรจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาใจของเราให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาไม่ให้มีความอยากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าช่วงนี้ถ้าเกิด ผมจะใช้พุทโธต่อได้ไหมครับเพื่อจะได้ถ้าใจเราไม่ถ้าใจเราไม่เฉยก็เราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนจนมันหายไปเลยใช่ไหมครับจนทุกอย่างหายว่างกายักแต่เหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบอันนี้ประมาณสามสี่ชั่วโมงผมก็ยังไปอย่างนี้อยู่แล้วจ้ะตัวทำไปเรื่อยๆทําไปไมันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่ว่าเราเห็นอริยสัจสี่หรือเปล่าเห็นว่าตอนนี้เราทุกข์หรือเปล่า ถ้าเห็นว่าเราทุกข์เราก็ต้องหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเรากําลังอยากอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นเพราะเราหยุดความอยากนั้นด้วยปัญญาคือว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้เป็นอนัตตาเช่นเวทนานี้เรามันเป็นอนัตตาเราก็ปล่อยมันปล่อยมันมาปล่อยมันไปปล่อยมันเกิดปล่อยมันดับไป เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปรักมันให้รู้เฉยๆไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาคำถามจากทางบ้านจากคุณสุรพลข้อที่หนึ่งณนะเวลาที่กิเลสสิ้นไปจากใจความรู้สึกเป็นอย่างไรครับก็เหมือนคนอยากหายจากไข้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอไข้าหายไปมันก็สบาย เวลามีไข้ตัวมันก็ร้อนพอไข้มันลกลนนร่างกายก็สบายเย็นสบายใจเวลาทุกข์ใจก็ร้อนหนุนพอกิเลสดับไปความอยากดับไปใจก็เย็นสงบสบายข้อที่สองกำลังคิดจะไปบวชที่วัดกับพระอาจารย์โดยจะทิ้งบ้านและเงินให้แฟนกับลูกไว้ผมควรพูดอย่างไรให้แฟนสบายใจครับ คุณก็ต้องคิดเอาเองเสียามาบอกอะไดเย<ำ>้ามาโทษเราเองคำถามจากคุณพึ่งน้องสะพ้ายทำตัวไม่เหมาะสมส่งผลให้มีปัญหาภายในบ้านกับคนอื่นๆตอนนี้ทุกกันมากใจร้อนเป็นไฟไม่สงบเลยค่ะหนูไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวโดยเน้นรักษาใจตนเองอย่างเดียวถูกต้องใช่ไหมคะ ใจเราทุกข์เราก็ต้องรักษาใจให้มันไม่ทุกข์สิเราไปรักษาคนอื่นทาไมคนอื่นไปรักษาเขายังไงใจของเราก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมแต่เราต้องมารักษาใจของเราหาสาเหตุของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากอะไรถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์ใจกัน พอเราปล่อยว่าเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจของเราได้แล้วเราก็จะอยู่กับขาได้อย่างอย่างเป็นสุขกันเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขหากคุณแม่มาขอคำปรึกษาและต้องการความช่วยเหลือหนูควรทำอย่างไรดีคะ กบ็บอกคุณแม่อย่างที่เราบอกคุณเนี่ยนะให้คุณแม่ไปตัดความอยากนะอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยเขาเป็นไปเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้ด้วยความเมตตา คำถามจากคุณสีเชนมาเคยนั่งสมาธิติด ต, ต่อกันนานหลายวันที่ไปปลีกวิเวกที่สถานปฏิบัติธรรมเข้าวันที่ห้านั่งจนเกิดความสงบได้ยินเสียงเรียกแต่หาตัวผู้ได้ยินไม่มีเกิดความว่างอันอัปประมาณหาตัวเองไม่เจอ ไม่สามารถออกจากสมาธิได้จนรู้สึกว่ามีคนมาสัมผัสร่างกายจึงกลับมารู้สึกตัวเช่นเดิมได้จึงรู้ตัวว่าที่ตามีน้ำตาไหลออกมามองที่มือก็ยังซ้อนงายในท่าสมาธิอยู่แต่กายที่เห็นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เราเป็นแค่ร่างกาย กลับไปห้องพักรวมก็เห็นคนที่นอนเรียงรายไม่เหมือนเดิมคล้ายศพก้มมองร่างตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมจากวันนั้นมาเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆว่าจะออกจากสมาธิไม่ได้อีกหากไม่มีคนช่วยจะทําอย่างไรแต่ก็ยังเพียร น, นั่งสมาธิเป็นประจำสงบเป็นครั้งคราวใจอยากมุ่งเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะผู้ยังเข่าด้วยค่ะก็เวลาที่เราเอาอกจากสมาธิเราก็ต้องหมั่นสอนใจเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาให้ปล่อยวางร่างกายอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่ง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามซื้อบ้านใหม่จําเป็นต้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่มีพระมาสวดไหมคะมีคนทักว่าถ้าไม่ทําจะซวยคะ่ะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องทําบุญนี้ทําได้ตลอดเวลาจะมีบ้านใหม่บ้านเก่าก็ทําได้มันไม่ได้ทำแล้วจะทําให้บ้านมันดีขึ้นหรือเลวลงบ้านมันก็เป็นบ้านของมันอยู่อย่างนั้นที่เราทําบุญเพื่อทําให้ใจของเรามีความสุขมีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นเอง ดั้นมันไม่เกี่ยวกับการมีบ้านใหม่หรือไม่มีบ้านใหม่ถ้าไม่ได้สร้างบ้านใหม่ก็ไม่ได้ทําบุญกันเลยอก็เหมือนกับถ้าไม่ได้สร้างบ้านก็ไม่กินข้าวกันเนะถ้าไม่กินข้าวกันก็อดตายกันเลยข้าวเราต้องกินทุกวันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจะมีบ้านใหม่หรือบ้านเก่าเราก็กินข้าวกันทุกวันข้าวนี้เป็นอาหารของร่างกายบุญก็เป็นอาหารของใจถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอิ่มมีความสุขเราก็ต้องทําบุญทุกวัน เช่นชาวบ้านนี้เขาใส่บาตรทุกวันเขาก็มีความสุขเขาไม่ได้รอให้ขึ้นวัดขึ้นบ้านใหม่ก่อนแล้วค่อยมาทําบุญกันเขาทํากันเป็นประจำฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันขึ้นบ้านใหม่หรือไม่ขึ้นบ้านใหม่จะทําบุญหรือไม่ทําบุญมันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้ทําให้บ้านนี้แข็งแรงขึ้นขแข็งแก่งขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแต่อย่างใดทําแล้วไม่ทําก็บ้านก็เหมือนเดิม แต่ถ้าทำแล้วก็ทำให้ใจของเรานี้ดีขึ้นมีความสงบมีความสุขมากขึ้นหมดแล้วครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง uh, YouTube ก่อนนะครับจากคุณโทนี่โร e มโนะครับ <c oughs> where can I find a copy of your book in the English version I think you can go download in the prasuchart.com, p h r a s u c h a r t.com. You click on the English section and go to the book section, and there will be place where, where you can download all my books there. คำถามจากคุณเอกคุณนะครับขณะที่ทำอาณาปานาสติเวลาออกจากสมาธิแล้วนอนลง พอหลับตาลงความสว่างสวยัยเกิดขึ้นเบากายเบาใจควรปฏิบัติอย่างไรต่อก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาก็ามีสติถ้าเราต้องการนอนเราก็ดูลมหายใจไป อ, อย่าคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็หลับถ้าไปคิดไปปรุงไปแต่งเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏให้เห็นมันก็จะไม่นอนมันก็จะไม่หลับ นเวลาจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้หรือพิจารณาว่ามันเป็นน่าตายรับไปมันเป็นอนิจจังเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเกิดก็ห้ามมันให้มันเกิดไม่ได้มันจะดับก็ห้ามมันให้ดับไม่ได้ก็ปล่อยมันเกิดมันดับไปเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันคำถามจะคุณชาติยานะครับการปรุงสังขารคิดนึก แค่คำว่าพุโทโธเฉยๆกับคิดนึกคำว่าพุโทโธที่ประกอบด้วยสติปัญญาในอริยสัจทับทันสภาวธรรมในปัจจุบันขณะมันจะให้ผลต่างกันอย่างไรเจ้าคะ มันเพว่พุโทโธนั่นะพุโทโธมันไม่มีมันไม่มีปัญญงปัญญาหรอกมันเพียงแต่เป็นคำพูดเป็นคำคำคิดเท่านั้นเองที่เราต้องคิดถึงพุโทโธก็เพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอุบายที่จะหยุดความคิดต่างๆที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาหยุดความคิดให้มันหยุดเพื่อนจิตจะได้สงบจะได้เย็นจะได้สบายมีความสุข อันนี้เป็นขั้นสมาธิยังไม่ใช่เป็นขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นปัญญานี้ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยที่ใจเราไปรักไปหลงแล้วคิดว่าเป็นของเรานี้ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกเวลาที่เขาจากเราไปอันนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญา คำถามจะคุณอะตามะยาตานะครับติดตามฟังพระอาจารย์มามีความเข้าใจเวลามีสติระลึกถึงคำสอนและพิจารณาหยุดความอยากรู้สึกสบายใจความเป็นอยู่ง่ายขึ้นสมถะขึ้นและเริ่มมองเห็นตามจริงจนรู้สึกไม่อยากเอาไม่อยากเป็นจึงอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่า จิตจะถอดถอนกิเลสได้หรือไม่ถ้าจิตไม่ถึงฌานก็ลองดูสิถ้าถอนได้ก็ถอนถ้าถอนไม่ได้ก็แสดงว่ากํำลังไม่พออุเบกขาไม่พอความสงบไม่พอใจยังยังดิ้นยังอยากอยู่ก็ต้องหยุดความดิ้นความอยากของใจให้ได้ถึงมันถึงจะสงบได้ถึงจะปล่อยวางได้คําถามจากคุณดาลาชัย ขอไม่เอ่ยถึงชื่อสถานที่นะครับเรียนถามคนก่อนตายได้ฟังซีดีจากสถานที่หนึ่งนะครับจิตของผู้ตายจะไปสวรรค์ผิวเหลืองร่างกายไม่นิ่มไม่แข็งจริงหรือไม่เรื่องของร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของใจการฟังธรรมนี้เป็นการทําใจให้จ้าหรือให้สงบเพื่อเวลาไปจะได้ไปอย่างสงบไปอย่างสบาย ส่วนร่างกายมันจะเขียวจเหลืองหรือจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันไม่เกี่ยวกับใจคำถามจากคุณเพนจัน์นะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับงานทางโลกเราจะต้องพยายามทำใจให้นิ่ง ไม่คิดต่อเรื่องที่เข้ามากระทบเราใช่หรือไม่คะใช่พยายามให้มีพุทธโธคอยกันสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในใจเราเมื่อไม่มีสิ่งเข้ามาบรบกวนใจใจเราจะได้เย็นจะได้สบายมีความสุขเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากของสิ่งของต่างๆจากบุคคลต่างๆจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้อยู่แบบยากจนได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้แต่ถ้าใจเราไม่สงบในใจมันจหิว มันอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มันก็ต้องดิ้นรนแสวงหาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะต้องเสียอกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่หามาได้ดังนั้นการที่รักษาใจให้สงบไม่คิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริงเป็นการสร้างความอิ่มความพอที่แท้จริง คำถามจะคนการจนานะครับปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วเห็นคนอื่นใช้ชีวิตทางโลกแบบมักง่ายอยู่แบบไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงของชีวิตที่เกิดมาและมีสังขารร่างกายโดยเฉพาะเห็นคนในครอบครัวเดียวกันเราบอกเราชี้แนะเขาเขาไม่เอาตาม รู้สึกผิดหวังและเป็นทุกข์เสียเองเราควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็เป็นเหมือนดินน้ํำลมไฟเป็นธรรมชาติที่เราไปไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเคยเปรียบเทียบคนว่าที่เราต่างกันก็เหมือนกับผลไม้ที่มันต่างกันคนบางคนก็เป็นเหมือนสับปะรดบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยมีความเป็นมา มีเหตุที่มาทำให้เราเป็นส้มเป็นกล้วยเป็นสับปะรดอยู่ดีๆเราจะไปเปลี่ยนส้มให้มาเป็นสับปะรดมันย่อมเป็นไตไม่ได้ถ้าเราไปอยากเปลี่ยนเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเราจะไม่ได้ดังใจหมายฉั้นทางที่ดีก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาก็จะเป็นสับปะรดก็ปล่อยก็เป็นสับปะรดไปเราเป็นกล้วยเราก็เป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้สับปะรดมาเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้กล้วยไปเป็นสับปะรด มันถึงวุ่นวายกันทุกวันนี้เพราะความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คำถามจะคุณประกอบนะครับหลังจากที่พระตถาคตทรงปรินิพานไปแล้วนั้นได้มีการสร้างพระพุทธรูปแทนพระองค์ขึ้นมาบูชากันนั้นเป็นความเป็นการสมควรและถูกต้องตามคําสอนหรือไม่และคําว่าอปะ ติโมที่พระพุทธองค์ตัดนั้นหมายความว่าอย่างไรอันที่ท่านพูดภาษานี่เราไม่รู้นะไม่เคยได้ยินมาฟังก่อนแต่เรื่องพระพุทธรูปนี้คือมันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปนะพระองค์อยู่ที่พระธรรมคำสอนพูพูดที่จะเข้าถึงเราต้องเข้า ผ่านทางพระธรรมคำสอนถ้าอยากจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นําออกไปปฏิบัติแล้วเราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคุ้มครองรักษาใจของเราการสร้างพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้กับเราได้เพียงแต่ทําให้เราเระลึกถึงท่านเท่านั้นเองว่าเป็นองค์แทนของท่านแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์เราไม่ควรที่จะไปพึ่งพระพุทธรูป เพราะเราพึ่งอะไรจากพระพุทธรูปไม่ได้เราต้องต้องพึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมกันตอนนี้เรากาลังเข้าหาพระพุทธเจ้ากันมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติให้เข้าไปในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ภายในใจของเราปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ อันนี้เป็นสารณะที่แท้จริงคือพระพุทธพระพุทธก็คือพระธรรมพระธรรมเมื่อเราได้พระธรรมเข้าไปในใจเราก็จะได้พระพุทธเราก็จะได้พระสงฆ์เราก็จะได้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาคำถามจากคุณณติตานะครับเมื่อก่อนมีความทุกข์ใจมาก แล้วคืนหนึ่งได้ฝันว่าตัวเองได้ตายไปเมื่อตายไปได้เห็นครอบครัวร้องไห้เสียใจในฝันนั้นดิฉันรู้สึกเป็นทุกข์มากอยากคุยกับครอบครัวที่เสียใจพูดไปคนในครอบครัวก็ไม่ได้ยินอยากกอดก็กอดไม่ได้ในความฝันได้เห็นพระองค์หนึ่งหน้าตาท่านสว่างสดใสามากยืนอยู่ในฝันที่ฝันว่าตัวดิฉันตาย อยากถามว่าพระองค์นั้นท่านทําให้เห็นว่าโลกหลังความตายไม่ใช่ที่สิ้นสุดของความทุกข์คือตายไปถ้าจิตยังยึดมั่นก็เป็นทุกข์ไม่ต่างจากคนที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะก็ให้ถือว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นธรรมะสอนใจเราก็แล้วกันถ้าเราสามารถนำเอามาใช้สอนใจให้เราปล่อยวางให้เราไม่ทุกข์กับความตายได้ก็ถือว่าเราได้ ได้รับประโยชน์ถ้าเอามาแล้วไม่สามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ลืมมันไปเถอดอย่าไปสนใจคำถามจากคุณรัต ด, ดานะครับเวลานั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันตกได้ไหมคะทิศไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเรานั่งต่อหน้าพระพุทธรูปเราก็หันหน้าให้พระพุทธรูปก็ได้นั่งหันหลังก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมมัน ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอะไรกำหนดตายตัวว่าจะต้องหันหน้าไปที่ใดคำถามจะคุณกรุงสยามนะครับข้อที่หนึ่งพระนิพพานคืออะไรครับก็จิตที่บริสุทธิ์จิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเรียกว่านิพพานเป็นจิตไม่ได้เป็นสถานที่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราไปซักจนสะอาดแล้ว แล้วก็เรียกว่าเสื้อผ้านี้สะอาดข้อที่สองผู้สําเร็จพระนิพพานเมื่อดับขันไปแล้วจะต้องจะไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัตาสงสารจะต้องไปที่ไหนครับก็อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยอยู่ในชั้นสูงสุดคือชั้นนิพพานชั้นที่มีความสุขมากที่สุดเนี่ยไม่มายุ่งเกี่ยวกับสังขารร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไป คำถามจากคุณกรูนะครับการฆ่าตัวตายของชายวัยยีปีทั้งที่เรียนเก่งสําเร็จปริญญาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะมีสาเหตุเพราะอะไรคะในทางธรรมเพราะความหลงไงเพราะคิดว่าความทุกข์อยู่ที่ร่างกายเวลาใจทุกข์มากๆก็คิดว่าถ้าฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์ใจจะหายไปแต่ความทุกข์ของใจมันเกิดจากความอยากภายในใจ ถ้าอยากจะฆ่าต้องฆ่าความอยากความทุกข์ถึงจะหายไปถ้าไปฆ่าร่างกายแทนที่ความทุกข์จะหายกลับมากขึ้นเพราะเวลาที่จะฆ่านี้มันต้องทุกข์มากเพราะไม่มีใครอยากจะฆ่าตัวตายกันเห็น <Yeah. S 1> ความหนงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าร่างกายเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วถ้าดับร่างกายได้ความทุกข์จะหายไปซึ่งมันกลับเป็นการตรงกันข้ามไปฆ่าร่างกายยิ่งกลับทาให้ความทุกข์ในใจมีเพิ่มมากขึ้นไปอีก วิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจต้องฆ่าความอยากภายในใจเช่นเวลาเราสูญเสียอะไรเราก็อยากจะได้คืนมาพอเราไม่ได้คืนมาเราก็อยากจะฆ่าตัวตายท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยากได้ของที่เราเสียไปคืนมาว่ามันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วไปก็ช่างหัวมันเวลาเรามาเกิดเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปทาไมเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้เราก็หาใหม่ก็ได้ หรือไม่หาก็ได้อยู่แบบไม่มีก็ได้คนที่เขาไม่มีแล้วเขาอยู่อย่างมีความสุขก็มีเยอะแยะไปถ้าเราคิดด้วยปัญญาหน่อยเราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเราจะแก้ปัญหาความทุกข์ใจของเราได้อย่างง่ายได้คำถามจะคุณเฟิร์นนะครับ ผู้คนในประเทศซีเรียที่มีแต่สงครามตลอดเวลาคนตายมากมายพวกเขาทำบาปอะไรมาจึงมาเกิดในที่แบบนี้และพวกเราคนไทยที่ได้ภาวนาปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสไปเกิดในประเทศแบบนั้นหรือเปล่าคะคือการเกิดมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหน อยู่ประเทศดาวเราก็ทุกเหมือนกันเพียงแต่ทุกมากทุกน้อยทุกช้าหรือทุกเร็วนั่นเองถึงเวลาก็ต้องอดอดตายกันทั้งนั้นเวลาคนจะตายกินได้หรือเปล่ากินก็กินไม่ได้ดื่มก็ไม่ดื่มไม่ได้มันก็เหมือนกันนั่นมันไม่มันไม่เกี่ยวกันหรอกว่าเราไปทําบาปอะไรมามันเกี่ยวตรงที่ว่าเรามาเกิดกันเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันะ จะมากจะน้อยนี้อาจจะเป็นเรื่องของบาปกรรมที่เราทําไว้ก็ได้ชาติก่นกอนๆล้วอาจจะไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วอาจจะไปเป็นทาหารไปทําสงครามไปฆ่าคนคนของของประเทศอื่นเขาพอชาตินี้เราก็เลยมากลับมาเกิดให้เขามาฆ่าเราบ้างมันก็ผัดกันฆ่ากันไปผัดกันฆ่ากันมานพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร เวรยม่มระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือการไม่ฆ่ากันคำถามจะคุณพาดานะครับการอยู่คนเดียวแบบคิดถึงแต่ประโยชน์แต่จะได้รับไม่คบหาสมาคมกับใครง่ายๆถือตัวไม่อ่อนน้อมทําอย่างไรจะแก้ไขได้คะก็เป็นไท้ถ้าไม่อ่อนน้อมก็ทําให้มันอ่อนน้อมสิ ก็เท่านั้นเองนํเาเปลี่ยนตัวเราเองได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่อ่อนน้อมเราก็หัดอ่อนน้อมเจอใครก็ยกมือไหว้เขาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเคารพกับเขาไปต่อไปมันก็อ่อนน้อมไปเองหมดแล้วนะหมดเจ้พระอาจารย์พักก่อนก็ได้ครับถามจากทาง y o u ูทูบนะครับ อ, อคุณ wtg นะครับ การเล่นการพนันถือว่าผิดศีลหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกมันเป็นอบายมุก ค, คือการกระทำที่จะดูดทรัพยากรที่ดีต่างๆของเราให้หมดไปเช่นเงินทองแล้วจะทำให้เราไปทำบาปต่อไปเวลาเราเงินทองหมดเราก็อาจจะต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นไปจี้หรือไปทำอะไรที่จะให้เราได้เงินทองมา มันก็จะทําให้เราไปทําบาปต่อไปเอ็นคนที่จะเลีกยงเล่นการเล่นการพนันเอาเวลามาทํามาหากินดีกว่าเพราะทำมาหากินนี่มีแต่ได้อย่างแน่นอนทํางานก็มีเงินเดือนนะเล่นการพนันนี้มันมีทั้งได้มีทั้งเสียถ้าได้ก็อยากจะได้มากขึ้นก็เล่นต่อพอเล่นต่อไปแล้วเดี๋ยวก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อเดี๋ยวก็เสียหมดอันนี้ถึงสอนไมใ่ให้ไปเล่นการพนันกันน เอาเวลามาทำงานทำการมาศึกษามหาวิชาความรู้กันดีกว่าเพื่อเราจะได้ฉลาดได้รู้จักวิธีหาเงินหาทองที่ที่ไม่มีโทษตามมาครับหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหมอ่าส่งมาไปให้หน่อยเนยะเปิดไม้แล้วก็พูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยเสียงจะได้ดังกับอาจารย์เจ้าค่ะ คือยมสงสัยว่าที่พอาจารย์บอกว่าพระนิพพานเนี่ยคือไม่ใช่สถานที่คือเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดนะเจ้าค ะ, ะทีนี้ยมอยากเดินถามว่าถ้ามีบางคนเนี่ยที่เขาจิตบริสุทธิ์สะอาดแต่ยังไม่ได้ล้าสังขารเนี่ยถือว่าเข้าพระนิพพานไหมคะถึงแล้วพระพุทธเจ้านี่ถึงตั้งแต่วันที่จัตสรุวันที่อยู่ใต้โคนต้นโพนั้นท่านก็ถึงนิพพานแล้วจิตของท่า น, น แต่ร่างกายท่านยังไม่ตายท่านก็เลยอยู่ใช้ร่างกายนี้สั่งสอนพวกเรามาถึงสี่สิบห้าปีพอร่างกายท่านตายท่านก็หมดโอกาสที่จะสั่งสอนติดต่อกับเราได้แต่ใจของท่านก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเหมือนที่ตอนที่ยังไม่ตายตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นที่ยังมีวันเสื่อมได้สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังเสื่อมหมดแล้วทําให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปแต่สวรรค์ชั้นนิพานนี้จะไม่ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปคําถามจากคุณชัดชวันนะครับเคยได้ยินครูบาอาจารย์กล่าวว่าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดใช้ช่วงเวลา ตายเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เราก็ตอบแทนท่านไม่ได้นะเพราะท่านก็ไม่ทราบว่าคุณฟังมาถูกหรือเปล่าขาดคำไปพูดคำเดียวมันก็เปลี่ยนความหมายไปได้หมดถึงไม่สามารถที่จะตอบให้ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหนูบริกรรมพุทโธแต่ตัวผู้รู้หนูจะรู้สึกว่า พุโทโธที่หนูท่องเป็นตัวหนังสือท่องไปเรื่อยๆจนพุโทโธหายไปใจก็สงบดีคำบริการพุโทโธที่หนูรู้สึกว่าเป็นตัวหนังสือนี้แบบนี้หนูทาถูกต้องไหมและใช้ได้ไหมเจ้าคะถ้าทำแล้วใจแล้วสงบก็ใช้ได้จะเห็นเป็นตัวหนังสือก็ได้พุโทโธไปแล้วตัวหนังสือก็โผล่มาเหมือนคาราโอเกะก็ได้ไม่เป็นไร <laughs> ขอให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจเราสงบก็ใช้ได้อุบายของการทำสมาธิมันถึงมีหลากหลายมีถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบบางคนพุทโธไปแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปก็ได้แล้วแต่บางคนพุทโธไปกับลมก็ได้บางคนพุทโธไปอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีอะไรมากากับก็ได้อันนี้เป็นอุบายของแต่ละคนที่จะใช้กัน อันไหนใช้แล้วเกิดประโยชน์คือทําให้จิตสงบจิตรวมเป็นหนึ่งได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเหมือนกับการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารจีนก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้อาหารไทยก็ได้อาหารทะเลก็ได้รับประทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็อิ่มเหมือนกันแต่คนเรามีจริตไม่เหมือนกันบางคนชอบอาหารฝรั่งก็ไปกินอาหารฝรั่งบางคนชอบอาหารจีนก็ไปกินอาหารจีนเท่านั้นเอง กรรมฐานสี่สิบก็ให้ผู้ที่มีเจริญที่ไม่เหมือนกันได้เลือกเอาว่าอยากจะใช้อย่างไรบางคนก็ใช้อานาปนาสติดูลลมหายใจเข้าออกบางคนก็ใช้พุทธานุสติบริกรรมพุทโธไปบางคนก็ใช้ธรรมานุสติสวดมนต์ไปอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะถนัดเป้าหมายก็คือให้จิตหยุดคิดให้จิตสงบนิ่งมีความสุขเท่านั้นแหละเป็นใช้ได้